บทที่หนึ่งเจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงรู้ว่าพระอาหารหันต์ทั้งสามองค์จะมาด้วยกายทิพย์ท่านจำเป็นต้องเสวนากับอคันตุ ก, กะด้วยกายเนื้อเพราะต้องการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานในการค้นคว้าวิจัยของอนุชนรุ่นหลัง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 นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494อันเป็นปีแรกที่ท่านเริ่มสอนกรรมฐานมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายและท่านก็ได้รับบันทึกไว้เช่นเรื่องของโยมอ่อนที่เจริญกรรมฐานจนสามารถระลึกชาติได้ว่าเคยรับจ้างฆ่าชายผู้หนึ่งด้วยการจ่อ ย, ยิงที่ศีรษะชายผู้นั้นมาเกิดที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้แนะนำให้แก่ไปขอข้มาและขอเอาโหสิกรรมจากชายผู้นั้นและร่วมเดินทางไปด้วยกระทั่งได้พิสูจน์แล้วว่ากรรมฐานมีประโยชน์ต่อชีวิตเหลือที่จะคนาหากโยมอ่อนไม่ได้เจริญกรรมฐานแก่จะต้องไปตกนรกเพราะกระทําปานาติบาทท่านยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ดี แม้มันจะผ่านมานานถึง33ปีและโยมอ่อนก็ตายไปได้สิบปีแล้วเมื่อโยมอ่อนเล่าเรื่องราวให้ชายผู้นั้นฟังแล้วกล่าวคำขออโหสิกรรมชายผู้นั้นหัวเราะชอบใจพร้อมกับพูดว่าไม่เป็นไรถ้าลุงฆ่าผมเมื่อชาติที่แล้วผมไม่เอาเรื่องแต่ถ้าชาตินี้อย่ามาฆ่าผมอีกก็แล้วกัน เป็นอันวโยมอ่อนสามารถชดใช้กรรมได้ด้วยกรรมฐานและใช้ในชาตินี้ไม่เช่นนั้นก็ต้องไปใช้ในชาติหน้าคือตายไปจะต้องตกนรกสถานที่ที่จะพบกับพระอาหารหันต์ทั้งสามองค์ไม่มีที่ใดดีเท่ากับในโบสถ์ท่านเตรียมสมุดดินสอไว้พร้อมจะกราบทูลถามสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในหลายๆเรื่อง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 เรื่องนี้มีหลักฐานอยู่ในจูลวัชโคตสูตรปริพาชะกะวักพระไตรปิฎกเล่มที่13ซึ่งวัชโคตตปริพาชกได้มาสนทนากับพระพุทธเจ้าที่อารามเอกบุญทาริกและได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเขาได้ข่าวมาว่าพระสมณโคดมเป็นสัพพัญญูทุกิริยาบท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 ยานทัศนะปรากฏแล้วเสมอติดต่อกันไปดังนี้ไม่เป็นอันกล่าวตามคำที่เรากล่าวแล้วและชื่อว่ากล่าวตูเราด้วยคำที่ไม่มีไม่เป็นจริงพระครูจเจริญวัดป่ามะม่วงจึงเตรียมที่จะกราบทูลถามพระมหาบาพิษสมภารเจ้าว่าเหตุใดจึงทรงสละเพศคารวะมาถือเพศบัรพชิต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 ท่านเห็นสมภารไปยืนอยู่ตรงทางประตูเข้าโบสถ์ประเดี๋ยวหนึ่งก็มีแสงสว่างสวัยไปทั่วบริเวณวัดบัดด น, นั้นพระภิกษุสามรูปก็เดินเรียงกันออกมาจากประตูโบสถ์อาการที่เดินผิดแปลกไปจากคนธรรมดาคือมีลักษณะเลื่อนไหลไปข้างหน้ามากกว่าก้าวขาเดินท่านไม่รู้ว่าพระภิกษุองค์แรกกับองค์กลาง องไหนเป็นหลวงพ่อในป่าและองคไหนเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินส่วนองค์หลังสุดท่านจำได้แม่นยำว่าคือพระบัวเหียวผู้เคยเป็นศิษย์ของท่านพระบัวเฮียวดูมีสง่าราศีขึ้นกว่าแต่ก่อนและคงจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันแล้วจึงไปอยู่กับหลวงพ่อในป่าได้ นอกเหนือจากพระภิกษุสามองค์แล้วท่านก็เห็นและทราบสาเหตุที่มาของแสงสว่างสวัยว่าเป็นรัศมีของถวยเทพนั่นเองบรรดาเทพบุะบุทเทพที่ดาต่างมารายร้อมแต่งองค์ทรงเครื่องงดงามเหมือนพระเอกนางเอกในลิเกภิกษุวัยสี่สเศษเริ่มไม่แน่ใจในสิ่งที่ท่านเห็น ว่าเป็นภาพจริงหรือภาพลวงตากันแน่จึงหลับตาแล้วกาหนดเห็นหนอเห็นหนออยู่สักครู่เมื่อลืมตาภาพเหล่านั้นก็ยังคงเป็นเช่นเดิมแสดงสิ่งที่เห็นเป็นของจริงท่านรู้สึกยังคงเป็นเช่นเดิมท่านรู้สึกเป็นบุญตาที่ได้เห็นเทพบระบุเทพธิดาซึ่งแม้จะแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนลิเก หาก็งดงามกว่าหลายเท่าภาพนางเทพธิดาทําให้ท่านนึกไปถึงสตรีที่เคยรักและคิดจะลาสิขาไปแต่งงานกับหล่อนมาบัดนี้ท่านรู้สึกดีใจที่ไม่ได้ทําเช่นนั้นเพราะเมื่อเทียบความงามของหล่อนกับนางเทพธิดาเหล่านี้แล้วหล่อนช่างหาความงามไม่ได้เลยเหตุนี้กระมังที่พระนันทบุตร เหต này, started, a, acho, andar, ุนี้กระมังที่พระนันทะพุทธอนุชาเปรียบเทียบนางชนบทกาลยานีว่าเหมือนนางลิงลุ่นที่ท่านเห็นระหว่างทางเรื่องบีอยู่ว่าในปรรษาที่สองแห่งการตรัสรู้พระพุทธองค์เสด็จนครกบิลพัทพร้อมด้วยพระอรหันตขีนาศพสองมื่นเป็นบริวารเพื่อโปรดพระพุทธปิดาและพระปริโยลญาต ในวันที่สได้เสด็จไปบิณฑบาตย่างพระราชนิเวศของเจ้าชายนันทะโอรสของพระนางประชาบดีโคตมีและเป็นพระอนุชาต่างมารดาของพระองค์ขณะนั้นเจ้าชายนันทะกกำลังอยู่ในพิธีวิวาหะมงคลกับนางชนบทกาลยานีเมื่อทรงรับบิณฑบาตแล้วได้ประทานบาทแก่เจ้าชายนันทะทรงถือ เจ้าชายนันท h จึงต้องถือบาดตามเสด็จพวกหญิงบริวารของนางชนบทกาลยาณีได้ไปบอกนางว่าพระผู้มีพระภาคทรงพาเจ้าชายนันทะเสด็จไปแล้วคงจะพรากเจ้าชายนันทะไปจากนางเป็นแน่นางชนบทกาลยาณีเมื่อได้ฟังก็วิ่งร้องไห้ตามไปขอให้เจ้าชายนันทะกลับแม้กระนั้น พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงรับบาตรคืนทําให้พระอนุชารู้สึกกระอากระอวนพระไทยอยากกลับก็อยากหากก็มิกล้าจึงตามพระพุทธองค์ไปจนถึงนิโครทารามอันเป็นที่ประทับรับสั่งถามพระอนุชาว่านันทะเธ อ, อยากบวชไหมเจ้าชายนันทะไม่อยากบวชแต่ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้า จึงจมต้องทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์จักบวชพระเจ้าข่าพระบรมศาสดาจึงมีรับสั่งให้ภิกษุบริวารบวชให้เจ้าชายนันทะพระบรมศาสดาประทับในนครกบิลพั์เป็นเวลาเจดวันจึงเสด็จกลับไปประทับอย่างพระเวรุวันนครราชครือยู่มาวันหนึ่งสุทัตตะ เศรษฐีแห่งนครสาวัตถีแคว้นโกศลได้มานครรัชกฤุษ ด, ด้วยธุรกิจบางอย่างได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ยังผลให้ได้ธรรมจักสุคือได้ดวงตาเห็นธรรมจึงกราบทูลพระพุทธองค์ให้ไปเผยแผ่พระาศาสนายังนครสาวัตถีและได้กลับไปสร้างพระเชตวันไว้สําหรับเป็นที่ประทับ สุทัตะผู้นี้ก็คืออนาธบินธิกะเศรษฐีในเวลาต่อมาเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จไปประทับอย่างนครสาวัตถีตามคำกราบทูลเชิญของอนาธบินธิกะเศรษฐีพระนันทาได้ตามเสด็จด้วยท่านไม่เป็นอันได้ปฏิบัติธรรมเพราะจิตกระสันคิดถึงตนางชนบทกาลยานีจึงบอกแก่เพื่อนภิกษุทั้งหลายว่า ท่านไม่ยินดีประพฤติพรหมจันทร์ไม่สามารถที่จะสืบต่อพรหมจันทร์ไปได้จะขอลาสิกขาเมื่อความทรงทราบถึงพระพุทธองค์จึงมีรับสั่งให้พระนันทะเข้าเฝ้าตรัสถามความจริงจากพระอนุชากลั้นพระนันทะกราบทูลว่าอยากลาสิกขาจริงพระองค์ตรัสถามถึงสาเหตุพระนันทะกราบทูลตามตรงว่า ท่านได้ระลึกถึงถ้อยคำของนางชนบทกาลยานีที่ทูลอ้อนวอนขอให้ท่านกลับจึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจันทร์ไม่สามารถสืบต่อพรหมจันทร์ไปได้ดังที่ท่านบอกกับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงทูลขอพุทธานุญาตลาสิกา พระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาต่อพระนันทะมีพระประสงค์จะให้พระอนุชาต่างพระมารดาได้เข้าถึงอมะตะธรรมอันจะเป็นเหตุให้ตัดความหลงในสงสารลงเสียได้จึงทรงใช้กุศโลบายอันแยบยนต์ที่ชนทั้งหลายเข้าใจได้ยากทรงจับพระพาหาของพระอนุชาแล้ว พาไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกำลังพระฤทธิ์ในระหว่างทางทรงแสดงนางลิงรุ่นตัวหนึ่งซึ่งมีหูเจมูและหางขาดนั่งจับเข่าอยู่บนตอไม้ที่ถูกไฟไหม้จนดำเป็นตอตะโกเมื่อถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงทรงแสดงนางฟ้าห้าร้อยผู้มาสู่ที่บารุงของเท้าสั ก, กเทวราช ตรัสถามพระอนุชาว่านางชนบทกลยานีกับนางฟ้าห้าร้อยใครงามกว่ากันพระนันทะกราบทูลว่าถ้าเปรียบเทียบกับนางฟ้าเหล่านั้นนางชนบทกาลยานีก็เหมือนกับนางลิงลุ่นมีหูจมูกและหางขาดตัวนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าจะให้พระนันทะได้นางฟ้าทั้งห้าร้อยนั้น หากพระนันทยินดีในพรหมจรรย์พระนันทากราบทูลว่าท่านจักยินดีในพรหมจรรย์แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงพาพระพุทธอนุชากลับไปยังมหาเชตวันดังเดิมเมื่อเพื่อนภิกษุรู้ว่าพระนันทประพฤติพรหมจรรย์เพื่อนางฟ้าจึงพา ก, กันล้อเลียนท่านพระนันทรู้สึกละอายจึงปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมอยู่ผู้เดียว เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรกระทั่งสามารถทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจันทร์อันยอดเยี่ยมเป็นที่ต้องการแห่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเกลือนโดยชอบสำเร็จอยู่แล้วในทิฏฐธรรมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มี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 ถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าท่านไม่ยินดีในนางฟ้าห้าร้อยที่พระพุทธองค์ทรงรับรองว่าจะประทานแก่ท่านพระพุทธองค์ตรัสแก่พระนันทะว่านันทะเมื่อใดจิตของเธอพ้นแล้วจากอสวะทั้งหลายเพราะมีความไม่ยึดมั่นเมื่อนั้นเราก็พ้นจากการรับรองนั้นแล้วทรงเปร่งพระอุทานว่า เปลือกตมคือกามอันผู้ใดข้ามแล้วน้ำคือกามอันผู้ใดย่ายีแล้วผู้นั้นบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมไม่วันไหวในเพราะสุขและทุกข์อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายพากันถามพระนันทะว่านันทะผู้มีอายุเมื่อก่อนท่านกล่าวว่าขาพเจ้าเป็นผู้กระสันแล้ว บัด น, นี้จิตของท่านเป็นอย่างไรพระนันธาตอบว่าผู้มีอายุความห่วงใยความเป็นครือขัดของเราไม่มีพวกภิกษุฟังดังนั้นแล้วพากันพูดว่าพระนันธาพูดไม่จริงด้วยอาการอวดอ้างว่าท่านบรรลุอรหัตผลจึงพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายในวันที่แล้วแล้วมาอัตภาพของนันทะได้เป็นเช่นกับเรือนที่เข้ามุงไม่ดีแต่บัดนี้เป็นเช่นเรือนที่เขามุงดีแล้วเพราะว่านันทะนี้จำเดิมแต่การที่ได้เห็นนางฟ้าแล้วพยายามเพื่อบรรลุที่สุดแห่งกิจของบรรพชิตได้บรรลุกิจนั้นแล้ว จากนั้นได้ทรงภาสิทธิ์พระคาถาเหล่านี้ว่าฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงไม่ดีฉันใดราคะย่อมเสียดแทงจิตที่ไม่อบรมแล้วได้ฉันนั้นฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะก็ย่อมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้นในการจบคาถา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 พระบรมศาสดาทรงทำเหล่านางฟ้าให้เป็นอาิ i ต h ทรงแนะนำให้ท่านพระนันท h พ้นจากบ่วงกรรมได้แล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าพิษุททั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคถาอะไรนอะเมื่อพิษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพิษุเหล่านั้นกราบทูลว่า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 ดนี้ในอดีตการมีพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งชื่อกัปปกะได้นำสินค้าบรรทุกบนหลังลาเพศผู้ตัวหนึ่งลาตัวนี้เดินได้วันละเจ็ดโยชนคือร้อยสิบสองกิโลเมตร ครั้งหนึ่งเข้าไปเมืองตากศิลาขณะที่ขายสินค้าอยู่ได้ปล่อยลาเที่ยวไปจนกว่าจะขายสินค้าหมดลาหนุ่มได้เดินเที่ยวไปและได้พบนางลาตัวหนึ่งจึงเดินเข้าไปหาและได้พูดจากเกี่ยวกันและกันนางลาสาวถามลาหนุ่มว่าเมื่อเดินมาทางนี้มีนางลาตัวไหนช่วยทำให้การนวดเท้า หรือประครบประงมให้ได้บ้างหรือไม่ล่าหนุ่มตอบว่าไม่มีจริงอยู่ชื่อว่าผู้ทำกรรมมีการนวดเท้าเป็นต้นย่อมไม่มีในสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแต่นางลาพูดเช่นนั้นเพื่อพาดพิงถึงกรรมมสังโยศล่าหนุ่มกระสันขึ้นด้วยกรรมของนางแล้วฝ่ายพ่อค้ากับประกะ เมื่อขายสินค้าหมดแล้วก็ได้ไปตามนางลาของตนกล่าวว่ามาเถิดพ่อเราจกไปลาหนุ่มตอบว่าท่านจงไปเถิดข้าพเจ้าจักไม่ไปลาหนุ่มตอบว่าท่านจงไปเถิดข้าพเจ้าจักไม่ไปนายกับประกาอ้อนวอลาหนุ่มอยู่หลายครั้งก็ไม่สาเร็จจึงขู่ว่า เราจะทำประตักมีน้ำแหลมยาว16หนิ้วมาทิ่มแทงกายเจ้าลาหนุ่มตอบว่าเมื่อท่านทำประตักมีน้ำแหลมส6หนิ้วแก่ข้าข้าก็จะยันข้างหน้ายกข้างหน้าขึ้นให้สัมภาระของท่านตกนายกัปปณะกรุ่นคิดว่าเหตุใดาลาหนุ่มจึงกล้าพูดเช่นนี้กับเขา ครันหันไปเห็นนางลาสาวยืนอยู่ก็เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรจึงใช้อุบายหลอกล่อลาหนุ่มด้วยการพูดว่าเราจะนำนางลาสาวมีเท้าทั้งสี่มีหน้าดุดสังมีสรรพางกายงามและเป็นภรรยาเจ้าลาหนุ่มจึงพูดว่าหากเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจะไปให้เร็วถึง14บสี่โย ด้วยอุบายอย่างนี้กัปปะกะจึงนำลาหนุ่มกลับไปได้คลัลล่วงไปอีกสองสามวันลาหนุ่มจึงทวงรางวัลจากนายกัปปะกะพ่อค้าหนุ่มตอบว่าเราไม่ได้ลืมสัญญาจะนำภรรยามาให้แต่จะให้อาหารแก่ลาหนุ่มเฉพาะตัวเดียวอาหารนั้นจะเพียงพอแก่นางลาหรือลูกที่จะมาเกิด จากการสังวาสของสัตว์ทั้งสองหรือไม่เขาไม่สนใจลาหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็หมดหวังที่จะมีภรรยาพระาศาสดาครั้นทรงนำบุพกรรมของพระนันทะมาตรัสเล่าจบลงแล้วทรงมีพระดำรสว่าภิกษุทั้งหลายนางลาในคราวนั้นได้เป็นนางชนบทกัลยานีลาหนุ่มได้เป็นนันทะ พ่อค้าได้เราเป็นเองแม้ในการก่อนนันทะนี้เราก็ได้ลอดด้วยสตรีได้แนะนำแล้วด้วยประการชนี้พระมหาบุญมัวคิดถึงเรื่องพระนันทเทระเพลินอยู่จึงไม่เห็นว่าพระอาหารหันต์ทั้งสามองค์ได้เลื่อนไหลไปในโบสถ์แล้วพวกเทพพบุตรเทพที่ดาต่างรายล้อมกันอยู่ ร, บรอบๆโบสถ์ แสงสว่างสวายจึงยังคงอยู่พิกษุวัยสีย่สิบเศษรู้สึกอิ่มเอิบใจที่ได้เห็นบุคคลผู้หมดกิเลสถึงสามท่านในคราวเดียวกันแล้วให้นึกตำหนิตัวเองว่ามัวเพลิดเพลินหลงอยู่ในสงสารจึงต้องแคล้วกลาดจากการได้ลิ้มรสอมตะธรรมอุสาถือเพศบรรพชิตเล่าเรียนศึกษามามาก หากก็ยังไม่ได้แม้ดวงตาเห็นธรรมพระบัวเหียวบวชทีหลังแต่เคยก่อกรรมทำเวรไว้กับบัวควายมาก่อนก็ยังตัดความหลงในสงสารลงเสียได้แต่เหตุใดตัวท่านจึงยังตัดไม่ได้น่าอายนักสมภารวัดป่ามะม่วงเดินตามหลวงพ่อในป่าและสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเข้าไปในโบสถ์ ส่วนพระบัวเหียวผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านเดินแบบเลื่อนไหลเข้าไปเป็นลำดับสุดท้ายท่านจัดการปิดประตูโบสถ์ลงดานอย่างเรียบร้อยแล้วจึงเข้าไปกราบอาจารย์และสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีโดยกราบอาจารย์ก่อนพระบัวเหียวกราบท่านและแล้วการสนทนาปราศัยก็เริ่มขึ้นหลวงพ่อสบายดีหรือครับ ท่านถามอาจารย์ไม่ต้องถามแบบนี้กับเราหลวงพ่อสบายดียหรือครับท่านถามอาจารย์ไม่ต้องถามแบบนี้กับเราเธอก็รู้ไม่เหรือผูละเมิดความหลงในสงสารได้แล้วสบายหรือไม่สบายเอาละ่ะอยากจะถามสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ถามท่านได้ท่านมาให้เธอถามแล้ว อาจารย์บอกลูกศิษย์